สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีในสมัยนั้นท่านอนาถบิดะเศรษฐีป่วยเป็นไข้หนักต้องทนทุกขเวทนาอยู่จึงเรียกบุตรคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่หน่อยเถิดพ่อมหาจำเริญพ่อจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่ประทับ แล้วจงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเสียนกล้าวตามคําของเราและจงกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาณาถาบิกะเศรษฐีป่วยเป็นไข้หนักทนทุกขเวทนาอยู่ขอถวายบังโคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวอันหนึ่งพ่อจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเทระอย่างที่อยู่ของท่านและจงกราบ เท้าเรียนท่านตามคำของเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอาาถิติฎกเสรษฐีป่วยเป็นไข้หนักทนทุกขเวทนาอยู่ขอกราบเท้าท่านพระสาริบุตรเทระด้วยเสียงกล่าวและขอเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอพระคุณเจ้าจงมีความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาาถาติกะเสถีรเถิดขอรับ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 และต่อจากนั้นเขาได้เข้าไปหาท่านพระสารบุตรเทระจนถึงที่อยู่ของท่านกราบท่านพระสารบุตรเทระแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้า้งหนึ่งและพอเขานั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบเรียนกับท่านพระสารบุตรเทระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญท่านนาถวิตริกะเศรษฐีป่วยเป็นไข้หนักทนทุกขเวทนาอยู่ขอกราบเท้าท่านพระสารบุตรเทระด้วยเสียรกล่าว และสั่งมาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสริบุทธเถระจงมีความอนุเคราะห์เข้าไปที่นิเวศของท่านอนาถวาิติกะเศรษฐีเถิดขอรับพระสริบุทธเถระรับนิมนต์ด้วยการดุษณีภาพแล้วต่อจากนั้นท่านนุ่งสบงห่มชีวรลรถือบาทและมีพระอนนตเทระเป็นปัจฉาสมณะคือพระติดตาม แล้วเข้าไปยังนิเวศของท่านนาถบิดกษัตริยีและขึ้นนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้สําหรับท่านเมื่อพระสัทบุทธเถระนั่งแล้วจึงกล่าวกับท่านนาถบิิกะเศริย์ว่าดูก่อรคระบดีท่านพออดทนไหวหรือไม่พอเป็นไปได้หรือไม่ทุกขเวทนาทุเราลงไม่มีอาการกําเริบขึ้นหรือท่านนาถบิิกษเศริย์กราบเรียนว่า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 กระผมจึงทนไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมขนาดนี้มีแต่หนักขึ้นไม่ทุเราลงปรากฏแต่อาการกำเริบขึ้นเท่านั้นไม่ปรากฏว่าอาการทุเราลงเลยขอรับข้าแต่ท่านพระสรบุตรผู้เจริญโรคลมมีกำลังแรงกล้ากระทําให้กระผมวิงเวียนศรีรษะอยู่หลุดผู้มีกำลังขันชนะที่ศรีรษะอย่างมั่นคงกระผมจึง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 พระสารีบุตรเทระจึงแสดงทำให้ท่านนาถาบิิกะเศรษฐีฟังว่าดูก่อนท่านกราบดีท่านพึงสำเนียกคำว่าสำเนียกกหมายถึงกำหนดจดจำว่าจะไม่ยึดถือตาหูจมูกลินกายใจและวิญญาณของท่าน จะไม่อาศัยตาหูจมูกกลิ่นกายใจท่านพึงสําเนียกว่าจะไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธิภะโพทพภะก็หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องโดยกายธรรมะสิ่งที่พึงรู้แจ้งโดยใจและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธิภะธรรมะท่านพึงสําเนียกว่าจะไม่ยึดถือวิญญาณหมีจักขุวิญญาณ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 จก ja ักขุสัมผัสสชาเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์อันเกิดแต่สัมผัสทางตาเป็นต้นมีมโนสัมผัสสชาเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์อันเกิดแต่สัมผัสทางใจเป็นที่สุดและวิญญาณของท่านจะไม่ยึดถือเวทนาหมีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้นมีมโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่สุด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 ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์และวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยอากาสานานจายตนะตลอดกระทำถึงเนวสัญญานาสัญญาญตนะท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือโลกนี้โลกหน้าและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้รู้ ได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยสิ่งนั้นเมื่อพระธรรมเสนาบดีสารุรเทระได้กล่าวธรรมะอย่างนี้จบลงแล้วท่านนาถาบิติกะเศรษฐีได้ฟังแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากขณะนั้นพระนรเทระได้กล่าวกับท่านนาถปาิติกะเศรษฐีว่าดูกรครมบดี ท่านยังอะไรใจจดใจจ่ออยู่หรือท่านนาถวาินติกะเศรษฐีจริงกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญกระผมไม่ได้อะไรมิได้มีใจจดใจจ่อแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระบรมศาสดาและมู่พระพิสุอันเป็นที่น่าเจริญใจมานานแล้วยังไม่เคยได้ฟังธรรมมีคาถา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 สัตวโลกทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยธรรมะห้าอย่างคือ1กรรมการกระทํา 2. วิชาความรู้แจ้งในมรรค8 3ธรมธรมธรรมะทฝ่ายสมาธิ4ศีลคือศีลในมรรคหชีวิตอันสูงสุดคือชีวิตของผู้ตั้งอยู่ในศีลมีใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดคือวงตระกูลและทรัพสมบัติเพราะฉะนั้น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 คืหายตัวไปในสถานที่นั้นนั่นเองพอถึงเวลารุ่งเช้าขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องของอนาถบินิกะเทพบุตรุลงมาเฝ้าพร้อมทั้งรำของอนาถบินิกะเทพบุตรดังกล่าวมาให้พระพิสุทังหลายฟังพระอนนตเถระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเทพบุตรองค์นั้น คงจะเป็นท่านอนาถปิณิกะเทพบุตเป็นแน่เพราะเหตุว่าท่านอนาถปิณิกะเศรษฐีได้เป็นผู้มีความเลื่อมใสามากในท่านพระสารีบุตรเทระพระเจ้ า, าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้ว อ, อนนลเหตุที่เธอคาดคะเนนั้นเธอลาดับเรื่องได้ถูกต้องแล้วเทพบุตรนั่นคืออนาถปิณิกะเทพบุตมีใช่ใครอื่น พ ร, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระนตเทระจึงชื่นชมยินดีต่อพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าการได้สาเร็จพระโสดาปันทิผลของท่านเศรษฐีจัดเป็นกรณีพิเศษเพราะเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปเกิดในเทวโลกแล้วจะไม่กลับมาเกิดในมนุษยโลกอีกโดยมีข้อความกล่าวไว้ในอัตกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ที่ขยายความบาลีปุคขรบัญญัติพระอภิธรรมอิิกความว่าธนานาถะบิดิกะเศรษฐีและมห า, าวิสาขาเป็นต้นโดยมีรวม7คนด้วยกัน7คนด้วยกันนั้นก็ได้แก่หนึ่งนานาถะบิติกะเศรษฐี 2. นางวิสาขามหาบุิกา 3. จุรธะเทพประบุตร4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 ก็เป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นว่าท่านเป็นผู้บริจราคท้งอาหารผ้าและสถานที่อยู่เป็นการบริจาคทานที่ครบทุกอย่างและด้านจิตใจของท่านก็ได้เป็นพระริยโสดาบันและจะได้เป็นพระหรลานต่อไปอย่างแน่นอน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 สตัตตคตุปร a มะจะมาเกิดอีกเจครั้งเป็นอย่างมากนี่ก็เป็นเรื่องของพระโสดาบันแต่ว่าก่อนจะลาจากท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ก็อยากจะข อ, อนำเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระกรุณาเทศปโปรดท่านนาถวิธิกาเศรษฐีเมื่อครั้งประทับอยู่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีดังที่มีเรื่องบันทึกอยู่ในเวลามาสูตร